ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องได้ดีอยู่กับมิตรดีพระเมขียเทระโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่สี่พฤษภาคม2546ณพพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เป็นประวัติของพระเมกขิยเถระนะซึ่งเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเราลองฟังดูเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงตัดสินพระไทยสิ้นสุดพุทธกิจแล้วทรงปรงอายุสังขารนะพูดง่ายๆว่ากำหนดวันที่จะปรินิพานทำให้มหาชนพากันแตกตื่นวันไหวขวัญเสีย ทำไมอนะโอ้โหระดับพุทธเจ้าอ่ะใครๆก็เคารพนับถือเงี้ยพอรู้ว่าอ้าวพุทธเจ้าจะบรินิพานแล้วคนที่เคารพศรัทธาเป็นไงโอ้โหเหมือนเราจะขาดดวงแก้วนะอันอะไรมีค่าควรแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกเรานี้โอ้โหมหาชนวันไหวเดีย๋ยวว่าแต่มหาชนเลย พื้นแผ่นดินสะเทือนท้องฟ้าขนองทะเลคลื่นครั่นมีอยู่สองคราวสำหรับพระพุทธเจ้าคืออะไรหนึ่งประเสริฐโอ้แผ่นดินสะเทือนอ๋ออันนั้นอีด้วยสิน ะ, ะสามสิดัสลุนะก็โอ้โหสะเทือนเรือนดัน่น นะแล้วก็ปริธิพานนี่กับแผ่นดินไหวอะไรพูดง่ายจริงๆเป็นเป็นทั้งความเป็นจริงด้วยนะหมายถึงว่าในธรรมชาติเนี่ยเป็นจริงด้วยแล้วก็โดยท ร, รมาทิฏฐานด้วยก็หมายความถึงว่าแผ่นดินสะเทือนรุนรั่นเนี่ยหมายถึงว่าโอ้โหประชาชนที่เคารพที่ศรัทธาทั้งหลายนี่แหละก็สะเทือนไปหมดนะอันนี้อ่ะ คราวนั้นอดีตชาติของพระเมคิยะเถระนี้ได้เกิดอยู่ในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็รู้สึกสะเทือนวั่นไหวเช่นกันแต่ด้วยจิตเคารพศรัทธายิ่งนักเขาได้ประกาศถึงพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วของพระองค์เพื่อทำจิตใจตนและมหาชนให้คลายจากความเศร้าโศกไปเสีย คือพูด ง, ง่ายๆรู้ข่าวก็โอ้โหใจก็ไม่ดีเหมือนกันนะสำหรับอดีตชาติของพระเมกคียะเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ค่อยดีนะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ป ร, รินิพพานนะแต่ว่ากำหนดปรงอายุสังขารใช่ไหมข่าวมันแพร่มาถึงเนี่ยพอรู้ข่าวทท้งนั้นเองก็โอ้โหรู้สึกไม่ดีแล้วเพราะนั้นเพื่อนฝูงคนใกล้เคียงอะไรก็รู้สึกไม่ดีกันไปด้วย มันท่านก็เลยแบบว่าประกาศถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหท่านดียังไงบ้างนะบำเพ็ญยังไงมาโอ้โหนะได้ดีได้ดีมายังไงท่านก็พูดให้คนอื่นฟังพูดง่ายว่าปลอบใจเพื่อนฝูงปลอบใจ ญ, ญาติมิตรแล้วก็ปลอบใจตัวเองด้วยนะเสร็จแล้วก็พูดถึงวระธรรมคําสอนต่างๆที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรไว้บ้างเนี่ยให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้ คลายจิตคลายใจลงเหตแห่งผลลบุญนี้ทำให้เขาบันเทิงอยู่ในสวรรค์ชาติแล้วชาติเล่าได้ทำกุศลเสมอมาปรากฏว่านี่แหละทำบุญอันนี้ถ้าบุญอย่างนี้เราควรจะเรียกว่าเป็นบุญระดับไหนบุญแบบเนี้ยบุญประเภทนี้ฮะ <c oughs> บุญการทำบุญทำทานเนี่ย มีอยู่3ระดับที่พวกเราจะพูดกันบ่อยๆคือ1่วัตถุทาน2 อ, อภัยทาน3ธรรมทานถ้าลักษณะอย่างที่อดีตชาติของของพระเมขิยะเนี่ยท่านทำนี่น่าจะอยู่ในข่ายของอะไรอของธรรมทานนะเพราะนั้นธรรมทานเราถือว่าเป็นทานที่สูงที่สุดนะใน3อย่างนั้น ตอนนี้กับุญกุศลพวกนี้ก็ทําให้ท่านโอ้ยชาติแล้วชาติเล่าก็สบายไปเลยนะนะแล้วก็ได้ทํากุศลเนี่ยต่อมาเรื่อยๆไม่ไปสู่ทุกติเลยด้วยใจะระลึกถึงกําหนดหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองและมีอยู่ชาติหนึ่งได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพัตรดีราชผู้ประเสริฐมีพระนามว่าสมิตตะซึ่งมีไพ่พลทรงอนุภาพมาก คือพูดง่ายๆว่าท่านก็อะไรอ่ะก็ตายแล้วเกิดหนะ้าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยแต่ท่านก็โอ้สุขสบายเลยเพราะว่าความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็การได้ทําบุญทํากุศนลนะโดยเฉพาะเนี่ยได้ทำธรรมทานครั้งนั้นจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายเขากําเนิดในตระกูลแห่งเจ้าสา ก, กะยะอ่าแสดงว่าเป็นอ่าเป็นคือญาตินะ เจ้าชายสิทธัตถะนั่นเนี่ยในนครกรบิลพัทมีนามว่าเมขิยะเมื่อเมขิยะเจริญวัยเติบโตแล้วด้วยใจศรัทธายิ่งในพระพุทธศาสนาจึงได้ขอบวชเป็นภิกษุอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมอันนี้พระวิจารณ์คนละองค์แล้วนะอันนี้มาชาติสุดท้ายของของท่านละมีอยู่คราวหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่ จาริกรบันพ์ใกล้เมืองจาริกาภิกษุเมคิยะได้เป็นอุปถากให้แก่พระศาสดาในที่นั้นเป็นอุปถากหมายถึงออคอยรับใช้คอยดูแลคอยอะไรต่างๆให้เช้าวันหนึ่งภิกษุเมกิยะเข้าไปบินบินทบาทในหมู่บ้านชันตุ ค, คามแล้วคล้ากลับได้เดินไปตามฝั่งแม่น้ำ กิมิกาลาพบเห็นอัมพวันอันน่ายินดีน่ารื่นรมอัมพวันก็คือสวนมะม่วงจึงเกิดความคิดขึ้นว่าป่ามะม่วงนี้ช่างน่ายินดีน่ารื่นรมจริงหนอเหมาะจะเป็นสถานที่บาเพ็ญเพียรแก่ผู้ต้องการฝึกฝนตนนี่ท่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตเราก็จะมาอาศัยป่ามะม่วงนี้ เพื่อบำเพ็ญเพียรคิดขึ้นมาขั้นกลับมาแล้วได้ไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาถึงที่ประทับกราบทูลถึงป่ามะม่วงนั้นและขออนุญาตพระาศาสดาทรงรับฟังแล้วตรัสว่าดูก่อนเมขิยะจงรออยู่ที่นี่ก่อนเราอยู่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเธอจงรออยู่จนกว่าจะมีภิกษุรูปอื่นมาแทนเถิดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หมายความว่า ยังไม่ได้อนุญาตใช่ไหมคือคือคื อ, คอให้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปเนี่ยแสดงว่าไม่ได้อนุญาตแล้วถามจริงๆรเหอในความรู้สึกของพวกเราเนี่ยผู้เจ้าอยู่พระองค์เดียวได้ไหมเนี่ยนะท่านจะกลัวผีหรือเปล่าหรือหรื อ, รอกลัวใครจะมาเบียดเบียมาทำร้ายอะไรท่านหรือเปล่าไม่กลัวหรอกเพราะฉะนั้นคำอ้างเนียบอกว่าเธออย่าเพิ่งไปเลยนะเดี๋ยวรอให้มี ภิกษุรูปอื่นมาก่อนแล้วมาแทนเธอเนี่ยแล้วเธอถึงค่อยไปเนี่ยแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอ้างอ้างอันนี้ขึ้นมาพูดง่ายว่าอะไรอ่ะเหมือนกับไพเราะอ่ะเหมือนกับยังไงนะดีหน่อยอ่ะอ้างอ้างดีๆหน่อยให้คือห้ามตรงๆเลยว่าอย่าไปเลยมันมันก็จะแหมจะแรงหรือจะหนักไปใช่ไหมท่านก็ยกเหตุผลว่าเอออย่าพึ่งไป แรอให้มีภิกษุอื่นมาแล้วแล้วค่อยไปก็ได้อย่างเงี้ยเป็นการห้ามอย่างห้ามอย่างมีศิลปะห้ามอย่างมีเหตุผลห้ามอย่างที่ทําให้คนฟังแล้วเนี่ยฟังขึ้นออไม่รู้สึกเหมือนอย่างกับว่าอะไรอ่ะโอ้ห้ามไม่ให้ไปอะไรอย่างงี้ใช่มัดยูวีดีบอกว่าเธออย่าไปเลยโอ้โหเป็นยังไงถ้ารู้สึกโดนห้ามเหมือนกั้นอ่ะอาจจะอัตตา ม, มานะขึ้นก็ได้ ใช่ไหมหรือหรื อ, อยังไงหรืออาจจะไม่ชอบใจหรืออาจจะเสียใจใช่ไหมโอ้โหทาไมห้ามไม่ให้ไป อ, อาจจะเสียใจน้อยใจอะไรก็ได้แต่ถ้าห้ามแบบนี้เนี่ยเออเธออยู่ก่อนอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมีคุณค่านะใช่ไหมยกให้โดยใช่ไหมว่าโอ้โหนี่มีคุณค่านะเหมือนขอร้องว่าเธออยู่ก่อนถ้าสมมุติว่าไม่มีแล้วเนี่ยเออเออถ้ามีรูปอื่นมา แทนแล้วเนี่ยเธอค่อยไปนี่ให้เกียรติมากเลยนะว่าแหมนี่เป็นปัจฉาหรือว่าเป็นผู้อุปถาผูุทธเจ้าโอ้โหมีเกียรติมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะดูวิธีการปรามของพูุทธเจ้าที่เป็นการห้ามชนิดที่เรียกว่าออยอดเยี่ยมนะใครที่ปรามใครไม่ค่อยเป็นนะไปฝึกไว้โอ้โหบางทีไปปราม คนเขาเนี่ยไม่เพียงแต่เขาฟังแล้วเขาเขาไม่ทําตามเท่านั้นนะเขายังเขายังจะด่ากลับด้วยนั่นถ้าเราปราบไม่เป็นเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ห้ามด้วยเจตนาดีด้วยห้ามด้วยความบังดีเนี่ยแต่คุณห้ามไม่เป็นเนี่ยเขาเกลียดเราเขาโกรธเราเผลอโอ้โห oh เขาเล่นงานเราเลยก็ได้เพราะฉั้นแม้แก่การห้ามปราบเนี่ยควรมีศิละปะ ศิลปะเป็นมงคลอันอุดมเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกด้วยอันนี้พอผู้เจ้าท่านปรามไปเสร็จแม้ทรงกล่าวเป็นเชิงปราม เ, า เ, ปเป็นเชิงห้ามปรามไว้แล้วแต่ภิกษุเมกิยะกราบทูลขออีกเป็นครั้งที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงจบกิจคือหมายถึงว่าผู้เจ้าเนี่ยจบกิจแล้วหมายความว่า ผู้เจ้าหมดกิเลสแล้วนะไม่มีกิจอะไรอื่นที่ต้องทํายิ่งกว่านี้อริยมรค ก, ก็ทรงสั่งสมกระทําไว้แล้วหมายถึงมรตมีองค์8เนี่ยนะผู้เจ้าก็ทําได้แล้วแต่ข้าพระองค์ยังมีกิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นยังต้องสั่งสมกระทําอริยมรตอยู่ดังนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วข้าพระองค์ ก็จะไปยังป่ามะม่วงเพื่อบําเพ็ญเพียรให้ยิ่งนี่ยกเหตุผลแล้วนตอนนี้เมกิยะคือจะไปให้ได้มันก็ยกเหตุผลเหมือนกันว่าที่จะไปเนี่ยไม่ใช่ไปอะไรอย่างอื่นไม่ใช่ไปเดินเที่ยวเล่นเออไปเพื่อไปบปําเพ็ญเพียร น, นะอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่นี่พระุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมแล้วอะ่ะใช่ไหมเพราะนั้นก็ท่านก็ไม่ต้อง หาสถานที่อะไรที่จะเอื้อต่อการบําเพ็ญเพียรอะไรแต่พระเมธิยะอ้างว่าตัวเองนี่ยังบีกิเลตอยู่อะอยังไม่จบกิจเนี่ยคือยังยังต้อง ป, ประพฤติปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ไปสถานที่แบบอันหน้าลื่นรมอย่างเงี้ยสถานที่ที่เหมาะจะบาเพ็ญเพียรอย่างเงี้ยโอ้โหจะได้ไปบาเพ็ญเพียร ก็เอานี้ขึ้นมาอ้างกับพระเจ้าคุณว่าอ้างอย่างเงี้ยอ้างถูกหรือว่าอ้างผิดฮะอ้างผิดไหมก็อ้างไม่ผิดใช่ไหมโอ้โหแล้วยกเหตุผลว่าเพื่อบาเพ็ญเพียรด้วยพระศาสดายังคงไม่ทรงอนุญาตแล้วตรัสเช่นเดิมอีกก็คือบอกว่ า, วาเอาให้รออยู่ก่อนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมีภิกษุอื่นมาแทนแล้วเธอค่อยไปอย่างเงี้ย แต่ภิกษุเมกิยะก็ไม่เลิกลานะพระเจ้าท่านก็กไม่หุ่ยายอีกอแต่พระเมกิยะก็ไม่เลิกลายกราบทูลขอกับพระาศาสดาอีกเป็นครั้งที่สก็ขออีกยกเหตุผลอีกว่าเพื่อไปบําเพ็ญเพียรคราวนี้พระาศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนเมกิยะเราจะว่าอะไรเธอได้เมื่อเธอกล่าวอยู่แต่คําว่าเพื่อบําเพ็ญเพียร ฉะนั้นบัตรนี้เธอจึงรู้ความสําคัญในเวลาอันเหมาะควรเถิดพระเจ้าตัดสุดท้ายเพราะว่าสามครั้งแล้วเมกิยะขอถึงครั้งที่สามพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอา้าจะไปว่ายังไงได้ก็จะพูดอยู่แต่ว่าเพื่อบําเพ็ญเพียนเพื่อบําเพ็ญเพียนบอกเอา้านะคําสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าอา้าตอนเนี้เธอจึงรู้ความสําคัญในเวลาอันเหมาะสมเถิด ผูอยางยี่หมายความว่าไงให้ ใ, ให้เมกิยะตัดสินใจเองว่ารู้ว่ามันเป็นเวลาอะไรที่มันเหมาะที่มันควรจะทำอะไรเนี่ยให้ให้คิดเองให้ตัดสินใจเองคือไม่ได้บังคับนะก็ไม่ได้บอกอนุญาตทีเดียวถูกไหมไม่ได้บอกอนุญาตทีเดียวว่าก็เออเธอไปเธออะไรก็ไม่ได้บอกทีเดียวในขณะเดียวกัน จะบอกว่าไม่อนุญาตก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกวาอ่าให้เธอรู้ความสำคัญในเวลาอันเหมาะควรว่าเวลานี้มันเหมาะควรที่จะอยู่หรือว่าที่จะไป <c oughs> พูด ง, ง่ายๆพูดง่ายๆว่าให้ตัดสินใจเองเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะเป็นกลางๆนะอันนี้ก็เป็นเป็นศิลปะของผู้ธเจ้าอีกแกที่ ที่ไม่ได้แบบว่าหักด้ามพระด้วยเข่าไปเลยว่าจริงๆนี่ถ้าเด็ดขาดอีกไม่อนุญาตอีกนี่ก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมกิยะกนี่ป่ากดพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดอย่างนี้ไปเมื่อพระศาสดาตรัสเช่นนี้ภิกษุเมกิยะจึงถวายบังคมพระศสาสด า, าแล้วไปอยู่ที่ป่ามะม่วงนั้น เพื่อบำเพ็ญเพียรตัดสินใจตามนั้นอันนี้มันไม่ง่ายนะคนเราเนี่ยพอปักทิฐิเรื่องอะไรไปแล้วแล้วคิดว่าดีคิดว่าถูกโอ้โหแก่ยากอาตอมาพูดไปล้เมื่อเมื่อเขาไม่กี่ครั้งมาเนี่ยก็เพิ่งพูดเรื่องมานะวอยด์ดีว่ า, ดดวาโอ้โหถ้าเราคิดว่าดีคิดว่าถูกต้อง นะัมันเปลี่ยนยากที่สุดเลยมันจะไม่ยอมเพราะไอ้ไอไอความมีเหตุผลว่ามันดีแล้วมันถูกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นสิมันไม่ดีมันจะอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นต้องทําต้องทําแล้วบางทีจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องทําเพราะว่ามันดีอ่ะตอนนั้นที่พูดถึงเรื่องอะไรนะยืนหยัดกับดื้อรั้น ว่าเป็นความดื้อรัน้นหรือเป็นความยืนหยัดต้องดูให้ดีถ้าเราตอนนี้ตอนนี้เมคิยะกำลังเป็นยังไงตัวเองของเมคิยะเนี่ยคิดว่ายืนหยัดเพราะว่าไปบาเพ็ญเพียรเนี่ยไปทําเพื่อให้ตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมหรือว่าทําเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกิเลสหมดไปวันโดยส่วนความรู้สึกนึกคิดของเมขิยะเอง คิดว่ายืนหยัดแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์น่ยแล้วเป็นไม่ใช่ครูบาอาจารย์ธรรมดานะเป็นศาสดาด้วยซ้ําไปอะ่ะเตือนแล้วบอกแล้วอย่างเงี้ยยังดื้อที่จะไปอะ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นความดื้อรัน้นแต่เห็นไหมพระเมกคียะเอง มองไม่เห็นความดื้อรั้นของตัวเองแต่มองเห็นความดื้อรั้นของตัเองเป็นความยืนหยัดเพราะฉะนั้นอาจาาถึงบอกว่ายากมากๆเลยคนเราจะเห็นกิเลสตัวอัตตามาณเนี่ยเห็นยากมากตัวราคะตัวโทสะยังเห็นได้ง่ายแต่ตัวมาณนี่เห็นยากที่สุดไม่เพียงแต่รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นะบางทีเห็นกลับเป็นตรงข้ามเลยด้วยซึ่งถึงบอกว่า เรื่องนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้มากๆเลยแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังตัวเราให้ดีอย่าเผลอเพราะเผลอเมื่ อ, อไหร่เนี่ยไอ้ความยึดอัตามานะของเราเนี่ยซึ่งเราก็คิดว่าเรายืนหยัดในความดีนะมันจะพลาดได้จนกระทั่งบางทีนี่เราแม้แต่ตายไปเนี่ยก็ตายไปด้วยความหลงผิดเพราะเรานึกว่าเรายืนหยัดเพื่อคุณธรรมแต่ที่ไหนได้ ไอ้ที่ตายไปแล้วนะ่นะนะตายไปด้วยความหลงว่าหลงดื้อรั้นไปแล้วแต่ซวยตายไปซะแล้วเหมือนกับเอายกตัวอย่างง่ายที่สุดที่เห็นได้ชัดที่สุดคือพวกฤาษีชีภัยเนี่ยที่เรียกว่าเข้าใจว่าการบรรลุธรรมเนี่ยก็โดยที่เรียกว่าไปอดข้าวอดน้ำใบบำเพ็ญอย่างของฤาษีเขานะจนกระทั่งเรียกว่าเขาเชื่อมันมาทำอย่างนั้นแล้วบรรลุธรรม โอ ย, อยืนหยาดจริงๆก็ทำอย่างนั้นจนตายอะ่ะซึ่งตายไปอย่างงั้นตายไปแบบโมหะตายไปด้วยความหลงผิดนะตายไปด้วยจิตที่ดื้อรั้นโดยไม่รู้ตัวแต่เจ้าตัวเองก็ยังคงคิดว่านี่แหละจะบรรลุธรรมถ้าทำไปอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันคราวนี้อ่ามีอยู่วันหนึ่งในเวลากลางวันภิกษุเมกียะนั่งพักที่โคนไม้แห่งหนึ่งในในป่ามะม่วงหน้านะนะ จิตเกิดความพุ่งสร้างขึ้นมากมายอากุศลระวิตกอัญลามก3ประการบังเกิดขึ้นจิตอากุศลระวิตกหมายถึงอะไรอากุศลก็ความคิดไม่ดีเราก็รู้แล้วนะความคิดชัว่วร้ายต่างๆวิตกวิตกก็คือเนี่ยความคุ้นคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้ น, ะอ น, นตอนนี้เกิดอากุศลระวิตกก็คือมันเกิดการคุ้นคิดอะไรขึ้นมา ในทางชั่วร้ายในทางไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นมานะสามประการก็คือหนึ่งการมวิตกเกิดขึ้นการมวิตกก็คืออะไรละคุณคิดไปในทางเออคุณคิดไปในเรื่องของกรมอะไรไปเรื่อยละสองพยาบาวิตกเกิดขึ้นก็คือคุณคิดไปในทางไปทาง เคียดแค้นชิงชังอะไรใครต่อใครเขานี่นะสามอะไรวิหิงสาวิตกตก็คือคุณคิดไปในทางจะไปทำร้ายคนอื่นเขานะอันเนี้ยคุณคิดไปในทางไม่ใช่ไม่ใช่คิดแค่ไม่ชอบธรรมดาคิดทำร้ายคนอื่นเลยอันนี้คือเรียกว่าวิหิงสาวิตกปรากฏว่าสามอย่างเนี้ยเกิดขึ้นได้แฮ ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยหมเป็นอุปถาคผู้เจ้ามาแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกระจอกเกินไปนะแสดงว่าปรากฏว่าพิตกทั้งสามอย่างเนี่ยทำให้ภิกษุเมคิยะตกใจและสะเทือนใจยิ่งนักแต่ก็ได้เข้าถึงความจริงตามความเป็นจริงว่าหน้าประราชใจหนอเรื่องไม่ควรมีก็มีได้แม้กุลบุตร ผู้ออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาอย่างยิ่งก็ยังเกิดการครุ่นคิดในแง่ชั่วร้ายเข้าครอบงำได้ไม่ว่าจะเป็นการครุ่นคิดเสพกามการครุ่นคิดเครียดแค้นและการครุ่นคิดทำร้ายเขาก็ตามพูดง่ายว่าแหมบิตก3าอย่างเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วก็เหนื่อยใจเลยเหมือนกัน จึงสลดสังเวนกับเหตุการณ์นี้แล้วภิกษุเมคิยะก็รีบกลับมาเข้าเฝ้าพระาศาสดากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาจึงทรงสั่งสอนว่าดูก่อนเมคิยะมีทรหม5ประการที่ปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าดูนะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัส สอนกับเมกิยะเพราะว่าคราวนี้เมกิยะโอ้โหเห็นกิเลสตัวเองแล้ววิ่งแจ้นเลยเพื่อง่ายนี่พูดสำนวนนะจริงๆสมณะพ ร, ะ, ระไม่วิ่งหรอกนะนี่สำนวนให้เห็นภาพโพสบอกโอ้โหรีบแจ๋วกลับมาเลยอ่ะกลับมาเฝ้าผู้เจ้าแล้วก็เล่าให้ผู้เจ้าฟังเลยเจ้าท่านพอฟังแล้วท่านก็สอนเลยบอกเนี่ยเนยเนยเห็นไหมแสดงให้เห็นว่าจิตของพระเมกิยะเนี่ยยังอ่อน ยังไม่แก่กล้านั่นเองนาการฝึกฝนเนี่ยยังไม่มากพอเพราวันที่พุทธเจ้าเนี่ยท่านยังปรามท่านยังห้ามไว้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าท่านรู้ว่าจิตยังอ่อนจิตยังไม่แข็งพอเพราะนั้นท่านก็ไม่อยากให้ไปนะแต่ท่านไม่ได้พูดตรงๆว่าคุณยังจิต อ, อ, อ่อนเออท่านยังจิตอ่อนนะพุทธเจ้าท่านไม่ไม่ได้ตัดตรงๆให้ให้แบบว่าอะไรอะ่ะให้เสียน้ําใจ หรือถ้าไม่เสียนัวใจก็อาจจะอาจจะโกรธเอาก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ตัดแบบนี้นะท่านกับหาเหตุผลอื่นเนี่ยมาปรามเสร็จแล้วตอนนี้ตอนเนี้ยรู้รู้เรื่องแล้วนี่เบขยะรู้เรื่องแล้วก็พอแจ้นกลับมาปั๊บพระเจ้าก็เลยพูดตรงๆเลยคนนี้นะว่าเนี่ยมีธรรมะอยู่ห้าข้อหรือว่า5ประการที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะ เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งเจโตวิมุตต์เนี่ยคือทำให้จิตเนี่ยเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากกิเลสได้นะห้าอย่างนี้ก็คือหนึ่งการเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งของการการที่จะทำให้จิตใจเนี่ยเข้มแข็งแก่กล้า เราก็หลุดพ้นจากกิเลสได้คุณฟังดูดีนะถ้าคนอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมาบอกเลยอาจจะนึกๆอยู่นึกๆแบบตื้นต้นไงนึกแบบเออก็พอเข้าใจนิดนิดนะว่าเอ้าวก็ถูกกสิก็มีเพื่อนดีมีอะไรดีมันก็ทำให้จิตใจเราอะไรอะ่ะเข้มแข็งขึ้นมีเพื่อนน่ะนะก็เข้มแข็งขึ้นแต่จะรู้ไปถึงว่า ว่าไอ้ความเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นความเข้มแข็งแบบมีผัสสะที่เมอกี้อาตมาพูดถึงก่อนหน้าเนี่ยว่าในมูมิดดีสหายดีเนี่ยมันจะมีผัสสะนะเป็นผัสสะชั้นยอดเป็นผัสสะชั้นเยี่ยมที่คัดสรรมาแล้วว่าว่าว่าน้าหนักขนาดนี้ไม่หยาบเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปที่จะทาให้เราเนี่ยบรรลุธรรมได้เร็ว นันเราจะทำให้เรารู้กิเลสเราได้ชัดแล้วก็เพื่อนนี่แหละที่เป็นมิตรดีสายดีที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละที่จะช่วยแนะนำวิธีการก็ตามหรือให้กำลังใจเราก็ตามที่จะทำให้เราเนี่ยล้างหรือว่าฆ่ากิเลสเนี่ยได้หมดสิ้นไปได้ไวนั้นะคือคือหลุดหลุดพ้นกิเลสมาได้นันในขณะเดียวกันเนี่ยสอนวิธีแนะนาวิธีให้เรา กำจัดกิเลสด้วยรวมไปทั้งช่วยขุดกิเลสให้เราด้วยอย่างที่บอนั่นแหละเพราะหลายคนที่บางทีเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติธรรมเข้าใจตรงเนี้น้อยไปแล้วก็ชอบเข้าใจผิดไปในลักษณะที่เรียกว่าโอ้โหที่นี่เขาดีเขาปฏิบัติธรรมมันดีเนี่ยคิดแต่มุมเดียวเลยอะ่ะคิดว่ามามาอยู่ในที่อย่างนี้แล้วจะเจอแต่คนใจดีด เจอแต่คนพูดดีๆเจอแต่อะไรนะคนเหมือนกับเอาอกเอาใจอะ่ะใช่ไหมเขาเอาคงพูดเพาะกับเราเขาเอาคงเจอแต่หน้ายิ้มแยม้มแจ่มใสให้เราอะไรงงี้ก็จะคิดแต่มุมเนี้ยมาทาั้งๆ ท, ที่บอกแล้วไงความเป็นจริงคือเป็นยังไงมิตร ด, ดีสหายดีเพื่อนดีนี่แหละเป็นไงหน้ามุ้ยๆก็มีหน้าตึงๆก็มี แล้วพูดโอ้โหขวานผาซากก็มีพูดมานาวไม่มีน้ำก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้คุณเอ้ยนะ้เพราะฉะนันถึงบอกว่าถ้าใครเนี่ยเข้าใจผิดแต่มุมนั้นน้มานะพอเจอเขาเปลี่ยนเดียวเท่านั้นเองอน่าชาเลยบางทีเนี่ยมาครั้งเดียวะนะแล้วก็ไม่พบกันช่วนนาตาปีแะ้วเนี่ยหายไปจากจากวงการเลยแล่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเข้าใจผิดนะเพราะหน้า น, น, นี้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะอันที่เป็นข้อที่1เลยนะคุณคิดดูจริงๆนี่ถ้าเป็นอาตมาอาตมาก็นึกไม่ถึงเลยนะว่าผู้เจ้านี้จะตัดข้อนี้เป็นข้อที่1เพราะเรานึกอยู่เนี่ยโอ้โหการฝึกฝนจะลดอะไรน ะ, ะวิตกทั้งสามเนี่ยการมาวิตกพยาบาววิตกวิหิงสาวิตกแหมเราก็นึกโอ้โหสูตรอะไรต่างๆเนี่ย นะ้าแหม่น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้อะไรแต่ปรากฏว่าผู้เจ้าเอานี้เป็นข้อต้นเลยข้อที่หนึ่งเลยนะซึ่งนํามาก่อนวันอันนี้พูดให้พวกเราเห็นถึงความสําคัญของเนี่ยการเป็นผู้มีมิตร ด, ดีสหายดีแล้วก็เพื่อนดีข้อที่สองการเป็นผู้มีศีล น, นี่เป็นข้อลําดับต่อไปนะที่จะทําให้ จิตใจเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็มีพลังในการที่จะหลุดพ้นจากกิเลสได้เนี่ยดียิ่งขึ้นก็คือการเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจระหรือโคจรนั่นเองมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาธานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายนี่คือข้อที่สองเพราะั้นข้อที่สองเนี่ยพูดสั้นๆก็คือ เป็นผู้มีศีลแต่ในนี้ท่านตัดกับภิกษุใช่ไหมท่านก็บอกว่าสำรวมในปาติโมกปติโมกก็คือวินัย227ข้อที่เป็นข้อห้ามต่างๆนะอันนี้ท่านตัดกับภิกษุถ้าตัดกับคงทั่วไปเป็นฆราวาสนะก็เนี่ยสำรวมในศีลของตัวเองอะใครถือศีล5ก็สารวมในศีล5้าใครถือศีล8ก็สารวมในศีล8 ที่มาเนี่ยเป็นผู้มีศีลนะี่ยสำรวมในศีลของตนถึงพร้อมในการในอาจาระก็คือถึงพร้อมในการประพฤติดีในการปฏิบัติ ด, ดีจะไปที่ไหนก็กระทำในที่อันเหมาะอันควรนะจะไปที่ไหนก็ไปที่ที่ควรไปที่ไหนอักโจรอย่างเงี้ยไม่ควรไปก็อย่าไปนะแล้วก็เนี่ยมีปกติเห็นภัยในโทษแม้ประมาณน้อย เนี่ย ถ, ถ้าถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราอยู่ในหมู่มิตรดีสายดีอะไรต่างแล้วนะต่อให้บางทีเรามองไม่เห็นโทษภัยแม้บีประมาณน้อยเราเองอาจจะมองไม่เห็นแต่เพื่อนอาจจะช่วยเห็นให้เพื่อนอาจจะช่วยดูให้และอาจจะช่วยบอกให้เรา